ความสุขโดยท่านววชิราเมธีบรรยายนะธรรมสภามหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ตำบลห้วยศักดิอ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2557ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพนาบัตรนี้ เตหัวสัปดารู้สึกสงบลงไหมรู้สึกสงบไหมอยังไม่ต้องพูดถึงวันนิ่งนะเอาแค่สงบก่อนเวลาเรามานั่งอย่างเนี้ยเรารู้สึกว่าสงบกายสงบใจไหมนี่คือความเป็นสากลของธรรมะคือถ้าเรานั่งสมาธิ เราก็รู้สึกได้อยู่ถึงความสงบถึงแม้ไม่สงบนิ่งหรอกก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เริ่มรู้สึกถึงแสงแห่งความสงบที่มันเริ่มประเพณิประพาย shower, ขึ้นมาในจิตในใจเราใช่ไหมเมื่อลองเทียบกับเราใช้ชีวิตตามปกติซึ่งเต็มไปด้วยความอึอกระทึกคลุกโครมใช่ไมทุกๆวันเรารับโทรศัพท์กันกี่ครั้ง เปิดดูหน้าจอกันกี่หน ท, ทุกต้นชั่วโมงก็มีข่าวรายงานสดมาถึงชีวิตเราเราแทบไม่เคยสงบฉะนั้นมาที่นี่จึงไม่ให้ทำอะไรมากให้ปล่อยให้ปลงภาระบาดามทั้งหมดแล้วให้นั่งและยืนสลับกัน กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมารู้เนื้อมารู้ตัวคนเราพอรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวมาอยู่กับปัจจุบันขณะคิดให้น้อยลงและใช้ความรู้สึกตัวให้มากขึ้นพวกเราก็จะเห็นว่าความสุขเริ่มผุดพลาย น, น้อยๆขึ้นมาในเนื้อในตัวเรา แล้วความต้องการในเชิงวัตถุมันก็จะน้อยลงคนที่มีทานน้ำพุแห่งความสุขผุดพลาอยู่ภายในจิตในใจจะมีความสดชื่นรุ่นเย็นเป็นส่วนตัวนั่งตรงไหนก็รู้สึกสดชื่นรุ่นเย็นอยู่ตรงนั้นพระพุทธองค์เคยตรัสว่าหันนั่งอยู่บนก้อนเห็นก้อนเห็นก็เป็น ที่นั่งแห่งพรหมฉันนั่งอยู่บนเพรญยะเพรญ้าก็นุ่มดังหนึ่งที่นั่งแห่งพรหมฉันนั่งอยู่ตรงไหนตรงนั้นซ้ายเป็นที่นั่งแห่งพรหมพรงเรียกกันอยู่ยังมีความสุขในทุกอิริยาบถว่า เป็นการทำนักอย่างพรหมหรือเป็นพรห ม, มวิหารแปลว่าการทำนักอย่างพรหมพรหมก็คือประเสรเิฐเลิศลังอยู่ตรงไหนก็มีความสดชื่นรื่นเย็งอยู่ตรงนั้นความสุขไม่เกี่ยวกับมิติสถานที่คนที่ใจมีความสุขแล้วทุกที่เป็นที่ที่มีความสุขแต่คนที่ใจไม่มีความสุขทุกที่ เป็นที่ที่เต็มไปด้วยปัญหาในพระตรัยพิดกท่านเล่าเรื่องสุนัขที่เรือนตัวหนึ่งหลังมันเป็นขี่เรื้อนคันกะเยอจนขนหลุดร่วงเกลื่อมหมดทั้งหลังมันวิ่งวุ่นไปมาทั้งวันไปนอนติดกับจําปลวกสักห้านาทีมันก็ลุกขึ้นเห่าจําปลวกกล่าวโทษจําปลวกว่า ไม่สะอาดทําให้มันคันแล้วมันก็เหา่าห้องห้อ ง, งใส่จําปลวกไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้สักห้านาทีไม่ทันหลับก็ลุกขึ้นมาเหา่าต้นไม้ห้องห้อ ง, ห, งหาว่าต้นไม้เนี่ยมีตัวบุ้งตัวหนอนหลนใส่หลังมันถ้าไม่มันคันก็เยอไปทั้งเนื้อทั้งตัวใช้ไปนอนริมนะำ ผ่านไปห้านาทีก็ลุกขึ้นมาเห่าริมน้ําเห่าทะเลสาบขาไ ม, ม่มีแต่มัดมีแต่แมลงทําให้มันคันก็เยอะไปทั้งเนื้อทั้งตัวย้ายจากริมน้ำไปหากอไผ่นอนสักห้านาทีก็เห่ากอไผ่ห้องๆอีกด่าทอกอไผว่าทําให้มันระคายเคืองผิวหนังคันไปทั้งเนื้อทั้งตัว มันวิ่งวุ่นย้ายที่ไปตลอดวันไม่เป็นอันหลับไม่เป็นอันนอนสุดท้ายมันก็ไปจบอยู่ที่ใต้ถุนกุฏิพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ประทับยังมีความสุขผ่านไปห้านาทีมันก็เห่าฮ้องฮ้อ ง, งด่าพระพุทธเจ้าว่าไม่ดูแลกุฏิมานอนตรงนี้ก็ไม่สะอาดอกีกขันก็เยอะไปทั้งเนื้อทั้งตัวรู้ดงทรงนำเรื่องนี้มาเล่าแล้วก็ถา ม, มาพระภิกษุทั้งหลายเธอว่า ปัญหามันอยู่ที่สถานที่หรืออยู่ที่หลังมันพิกษุทั้งนั้นก็กราบทูลว่าอยู่ที่หลังมันมันคันที้เรือนที่หลังมันแต่มันไม่รู้ไปจี้หน้าด่าโกนทั้งโลกอะไรอะไรก็ไม่ดีไปเสทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่จริงปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ตัวมัน คนหลายคนเหลือเกินพยายามพยายามแสวงหาความสุขแล้วก็ไม่พบความสุขแล้วก็โทษสิ่งนั้นแล้วก็โทษสิ่งนี้ว่ามไม่สามารถปลนเพลอความสุขให้แก่ตัเองได้เพราะแท้ที่จริงความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่คุณภาพใจของเราเองผวกเราลองไปดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลาย ท่านอยู่ในป่าท่านอยู่ง่ายมากไม่มีเครื่องประดับไม่มีสมณศักดิ์เป็นพระป่าธรรมดารรมดาไม่มีเครื่องประกอบสมณศักดิ์อะไรหรอกไม่ได้เป็นโน่นนี่นั่นอะไรหรอกแต่คนก็หลังไหลไปหานะสังเกตไหมคนหลังไหลไปหาคนที่ไม่มีอะไรไม่เอาอะไรและไม่เป็นอะไร ตรงกันข้ามกับบางคนซึ่งมีอะไรเยอะแยะและเป็นอะไรเยอะแยะพิมพ์เสนมบัตรยังไม่พอด้วยซ้ำแต่กลับไม่มีใครไปหาคนที่ไม่มีอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรแต่ถ้าว่าในใจนั้นอุดมไปด้วยความสงบสุขสดชื่นรุ่นเย็นคนอย่างนี้เป็นคนที่ เป็นสุริมงคลและท่านมีพลังในการดึงดูดสิ่งดีๆมาสู่ตัวท่านสูงมากไปอยู่ตรงไหนสถานที่นั้นายเป็นสถานอันรุ่นรมเหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นาย ย่อมเป็นภูมิสถานอันรื่นรมคนที่มีความสดชื่นงเย็นเย็นอยู่ข้างในนั้นความสุขแทบไม่ขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตรงกันข้ามสิ่งแวดล้อมกลับมาขึ้นต่อตัวท่านคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสัจธรรมตรงนี้และดังนั้นเขาจึงเพียนแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกเยอะแยะมากมาย และจะมีความสุขแต่ละครั้งก็เอาความสุขของเตืองนั้นไปวางไว้กับเงื่อนไขจะมีความสุขมันต้องมีเงื่อนไขสักอย่างหนึ่งเช่นต้องได้ดูหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งมีความสุขต้องได้กินอาหารอร่อยๆมีความสุขมีรถแพงๆมีความสุขมีโทรศัพท์รุ่นล่าสุดมีความสุขมีแฟนหล่อๆสวยๆมีความสุขมีบ้าน ไม่รู้แพงระยับมีความสุขมียศทรัพย์อำนาจจึงมีความสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นหลุดลอยไปความสุขก็หายไปด้วยความสุขที่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกอย่างนี้ภาษาพราเรียกว่าสามิ ส, สุขแปลว่าความสุขที่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกหรือความสุขที่ถูกวางเงื่อนไข พอเงื่อนไขแห่งความสุขมีก็มีความสุขพอเงื่อนไขแห่งความสุขหายไปความสุขก็อันตรธานไปด้วยแต่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราควรจะพัฒนาตนไปให้ถึงนั่นคือนิรามิตสุขความสุขไม่อิงอะมิชความสุขที่ไม่อิงเหยื่อล่อความสุขที่ไม่ถูกวางเงื่อนไขเป็นความสุขง่ายๆสบายๆแต่ถ้าพัฒนาขึ้นมาแล้ว สุขชนิดนี้จะทำให้เรานั้นเป็นหน่วยความสุขเคลื่อนที่ยืนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขกินก็มีความสุขดื่มก็มีความสุขทำงานก็มีความสุขเรากับความสุขกลายเป็นเนื้อเดียวกันท่านพานนาไว้ว่าความสุขชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วดังหนึ่งถูกโดส่งด้วยน้ำอันเย็นสนิทมีความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ภายใน อยู่ที่ไหนก็มีความสุขความสุขชนิดนี้เป็นดังหนึ่งอาหารทิพย์รอเลี้ยงผู้ประพฤติ ธ, ธรรมให้มีความเบิกบานในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อผู้เราลองดูพระพุทธปฏิ ม, มาสิพระพะักของพระองค์นั้นอยู่ในพระเรืยบทแยมพระส่วนในน้อยเสมอใช่ไหมนั่นละ่ะเพราะข้างในพระองค์นั้นมี น้ำอันสดชื่นรุ่นเย็นของความสุขคอยหล่อเลี้ยงดังหนึ่งเป็นทานน้าพุอยู่ข้างในตลอดเวลาฉะนั้นการที่เรามาฝึกสมาธิภาวนาอย่างนี้ถ้าเราฝึกไปฝึกไประดับหนึ่งนะจิตผ่อนคลายกายผ่อนคลายเขาเรียกกายะลหุตาจิตตะละหุาตากายยะละหุตาจิตตาละหุาตหากายเบาจิตเบา บางครั้งมันเบาเนี่ยดังหนึ่งปุยนุ่นนะเบามากจนเราทำอะไรอยู่พอมันเบาขึ้นมาอย่างนี้เราต้องวางให้หมดก่อนกลัวมันจะปลิวออกไปบางครั้งพระอาจารย์นั่งพิมพ์เดดอยู่นั่งพิมพ์ต้นฉบับบทความธรรมะอยู่จิตมันรวมเป็นสมาธิมันเบาไปทั้งเนื้อทั้งตัวเบาอยู่กระทั่งมือที่แตะเป้นพิมพ์มันจะไม่มีแรงต้องวางงานทั้งหมด จิตมันคลี่คลายเกิดความผ่อนคลายหลังจากที่มันตึงเนื้อตึงตัวตึงความคิดมาทั้งคืนทั้งวันพอจิตมันไปเจอศูนย์กลางของจิตเข้าเนี่ยนะจิตก็เบากายก็เบาและผ่อนคลายดังหนังโปยนุ่มภาวะหลังจากนั้นเราจะรู้สึกเหมือนว่าเพิ่งอาบน้ําแล้วก็เดินออกมาจากห้องน้ําใหม่ๆมัน ม, มีแต่ความสดชื่นรุ่นเย็นอยู่ตลอดเวลาต้องนั่งลงเดินไม่ได้ เพราะความสุขนั้นมันไหลหลั่งถังทนท่วมไปทั้งเนื้อทั้งตัวคนที่ได้สัมผัสความสุขอันประณีตเชน่นนี้เขาก็จะเรียกร้องต้องการความสุขเชิงวัตถุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเขาจะเรียกร้องต่อโลกน้อยลงน้อยลงน้อยลงความยึดติดถือมั่นในยศทรัพย์อำนาจ กินความเกลียดก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอุปมาดังหนึ่งคนที่ออกเดินทางจากบ้านเข้าป่าไปแล้วไปเจอแพชรเมื่อเขาพบเพรที่แท้จริงแล้วความต้องการต่อกวดเห็นดินทรายหรือเพชพลอยก็จะลดน้อยลงจนกระทั่งไม่เหลือเลยคนที่พบเพรแล้วมีความต้องการ ปวดเห็นเดินสานอกจากนี้อีกไหมก็ไม่ต้องการฉะนั้นก็ฉะนั้นคนที่ไปพบความสุขที่ประเนษเขาก็จะผ่อนคลายความยึดติดถือมั่นในความสุขอย่างหยาบลงไปโดยอัตโนมัติฉะนั้น ใ, นใครก็ตามมาฝึกสมาธิภาวนานแล้วพัฒนาตนจนไปถึงความสุขที่ประเนษที่เรียกว่านิรามิสสุขคุณาภาพจิตเปลี่ยนและคุณาภาพกายก็เปลี่ยนคุณยังฟังเพลงเหมือนเดิม แต่เพลงที่คุณฟังจะไม่ใช่เพลงกระแทกกระทันอีกต่อไปจะเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจคุณยังบริโภคกินกา ร, รเกียรติเหมือนเดิมต่อไปแต่คุณภาพของกินกา ร, รเกียรติที่คุณบริโภคนั้นจะประณีตขึ้นคุณยังคงใช้ชีวิตอยู่ในโลกเหมือนเดิมต่อไปแต่คุณจะเลือกชีวิตเชิงคุณภาพมากกว่าชีวิต เชิงรูปแบบซึ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการทางประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปแต่คุณภาพของการใช้ชีวิตนั้นจะไม่เหมือนเดิมคือมันจะประเนี๊ขึ้นฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อมีคนไปถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์สอนอะไร ไม่ถึงมีคนไปหาพระองค์เยอะลึอเกินพระองค์ก็ตรัสบอกว่ารเราก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายหรอกสิ่งที่เราสอนก็คือสอนให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแล้วก็หายใจคนถามก็บอกว่าเอา้าถ้าอย่างนี้แล้วมันประเสริฐตรงไหนล่ะพวกเราก็ทําได้พระองค์ก็บอกก็นั่นนะสิฉันก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายนะใครๆก็ทําได้นะสิ่งที่ฉันสอนนะ พวกเธอนี่ยยืนเดินกินดืม่มนั่งนอนพูดคิดหายใจไหมหายใจพระพุทธเจ้าค่ะทําทเหมือนที่พระองค์ทําทุกอย่างพระเจ้าค่ะนั่นล่ะสิพวกเธอก็ทําเหมือนฉันฉันก็ทําเหมือนพวกเธอนั่นแหละฉันไม่ได้สอนอะไรใหม่ๆนะเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นคนมาศรัทธาพระองค์ทำไมพระองค์ก็บอกว่าคนทั่วไปนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดทํางาน แต่ไม่รู้สึกตัวส่วนคนที่ทําตามเรานั้นทุกเรื่องดที่คิดทุกกิจที่ทําทุกกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวพอมีความรู้สึกตัวแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนส่วนให ญ, ญ่นั้นตกอยู่ในแรงดึงดูดของสัญชาตว์ตยานโลภโกรธหลง กินกามหลับกลัวภัยมันง่ายมากที่จะสังเกตว่าเราตกอยู่ในแรงดึงดูดของสัญชาตยานหรือหลุดออกมาเป็นอิสระก็เวลาเราก้มกราบไงก้มปุ๊บมันอยากจะขึ้นทันทีไม่เห็นเนอแต่พอเราเติมตัวรู้เข้าไปมันช้าลงใช่ไหมหรือเหมือนตอนนี้ที่หลายคนเริ่ม ย, ย้วย มันคือสัญชตาตญาณอ่ะใช่ไหมถ้าเรามีสติเราจะพยายามอยากเอาชนะความง่วงแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราจะเสร็จมันมันจะหน่วงเรานั่งเริ่มไม่ตรงมันจะเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงใจหนึ่งก็อยากฟังเทศแต่แรงหนึ่งอื่นมันก็ดึงผนังตาลงมาปิดเห็นชัดไหม เห็นไหมถ้าเรามีสติเราจะพยายามเอาชนะมันต้อันจะพยายามยิกขาเลยยิกไว้ยิกไว้ยิกไว้ยิกขาขวาจนลาแล้วมันยิกขาซ้ายมันยังไม่ดีมันยังง่วงอยู่เห็นอนุภาพของมันไหมบางทีเดินอยู่แท้ๆมันยังง่วงนะทำไมพระอาจารย์เป็นเล้นน้อยนะตื่นตีสี่เดินจงกรมตามหลังพ่อแม่ครับาอาจารย์ตีสี่นะหน้าหนาวด้วยของเชางรายเนี่ย เดินตามหลังท่านมันหลับทั้งยืนนะต้องบอกว่าหลับทั้งเดินเดินไปเดินไปไปชนปึ๊กอะไรหลวงพ่อหันมาถามอะไรโอ๋อหัวใจหล่นตุ๊บไปที่เท้าชนใครไม่ชนชนเจ้าอาวาสเวลาสัญชาตญาณมันทำงานขึ้นมานะโยม ยืนอยู่มันก็ง่วงเดินอยู่มันก็ง่วงนะแต่ประหลาดนั้นนั่งเล่นไฮโลทั้งคืนไม่ ง, ง่วงเล่นไพ่ทั้งคืนไม่ง่วงร้องคาราโอเกะทั้งคืนไม่ง่วงทำไมทําไมมันไม่ ง, ง่วงก็เพราะว่ากิเลสมันกําลังได้รับการสนองใช่ไหมแต่พอมามันนั่งสมาธิอย่างนี้นี่มันขัดใจกิเลสใช่ไหม มันขาใจกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสมันรับเมตได้มันโกรธมันก็เลยจัดการเราไปไปทําตามท่านทําไมนะมันก็เลยแสดงอาการฟฝ้งง า, านวงฟฝ้างางขึ้นมาฉะนั้นนี่คือการต่อสู้ระหว่างเทวากับซาตานในตัวเราระวังนะเติมตัวรู้ลงไปเยอะๆให้เทวาน่ะมีสัดส่วนยึดครองพื้นที่ในใจเยอะๆแต่ถ้าขนาดนั่งฟังเทศแล้วก็ดังยุยอยู่นั่นอะ ซาตานเอาไปกินหมดเทวาซาตานไม่ต้องไปหาที่ไหนก็อยู่ในตัวเรานี้ทํำยังไงเราจะให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ยึดครองของเทวาการพยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนาดเติมความรู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปให้เยอะๆในระหว่างวันพยายามกลับมาทําบ่อยๆเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในระยบทนุ่งเขาวห่มขาเสมอไปคุณอยู่ในชีวิต ปฏิบัติธรรมทำในชีวิตคุณทำอะไรอยู่คุณเติมสติลงไปนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วคุณกินอยู่คุณพยายามตามรู้สิ่งที่คุณขบเคี้ยวและกลืนจิมลิม้มก็เป็นการปฏิบัติธรรมคุณเดินไปกข้าห้องน้ำคุณแค่เดินตามดูตามรู้สังเกตอาการไปอย่าให้ใจลอยออกไปจากจากกายใจให้อยู่ในกายกายให้อยู่ในใจ รู้กายในกายรู้ใจในใจอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทันทีคุณเหลียวคุณเหลือบคุณมองคุณคิดคุณพยายามเติมตัวรู้เข้าไปสลในทุกเรื่องที่คิดทุกเหตุที่ทำทุกคำที่พูดทุกอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวเพียงแค่คุณเติมความตั้งใจคือสติเข้าไปเท่านั้นนะทําอะไรก็ขอให้รู้อยู่เท่านั้นนะการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทันทีทันควัน ฉะนั้นที่ให้เรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มาเข้าเงียบอย่างนี้เรามาฝึกเทคนิคแต่ฝึกเทคนิคแล้วพอปิดคอร์สไม่ใช่ว่าเอาคืนไปที่นี่พอปิดคอร์สปั๊บการปฏิบัติต้องเริ่มต่อทันทีสะสมวยกิจไปสิทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยในระหว่างวันเรียกว่าหัดสร้างนิพพานระหว่างวันขึ้นมาเติมตัวรู้ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่ทําไม่ใช่การผลิบานเข้าห้องน้ํา หากแต่คือการกลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจอยู่บนเตียงนอนจะลุกนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ตามดูตามรู้ลมหายใจก่อนเรื่องตัวรู้ให้ตื่นพร้อมๆกับเราก่อนเมื่อกายตื่นก็ขอให้จิตตื่นฉะนั้นเดินไปเข้าห้องน้ำศักสี่ห้าเก้าก็เดินจงกลมไปเข้าห้องน้ำขณะล้างหน้าล้างตาเราก็ตระหนักรู้ว่าเรากำลังล้างหน้ า, นาล้างตาขณะแปรงฟันก็ตามดูตามรู้ว่เรากำลังแปรงฟัน อาบน้ำก็ตามดูตามรู้รูปไหล้ไปตามผิวกายก็ตามดูตามรู้รู้อยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ตามดูตามรู้สวมใส่อะไรก็จะได้เหมาะกันไม่ใช่แต่งตัวเหมือนกาข้าบพลิกกาสีดำข้าบพลิกสีแดงแต่งตัวไม่เข้ากันเพราะว่าขาดสติแต่งเนื้อแต่งตัวแล้ว ดูตัวงหน้ากระจกยิ้มเบิกบานยังมีความสุขโชคดีที่รอดมาได้อีกวันหนึ่งฉะนั้นไปนั่งกินข้าวก็ฝึกเจริญสติระหว่างเคี้ยวข้าวอยู่กันสองสามีภรรยาก็ยิ้มให้กันก่อนพระนมมือขึ้นมามองตาเขาโสดทิเตอหอตกพยายามเคลื่อนพลังของการปฏิบัติไปสู่คนที่อยู่ตรงหน้า ค่อยๆเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปวันแรกๆเขาอาจจะเห็นเป็นขำๆแต่วันที่สามเราก็ยังไม่เปลี่ยนเขาจะเริ่มตามเราหลายคนทํำเราได้ผลมีโยมคนหนึ่งมาปฏิบัติที่นี่และทําอย่างเนี้ยตลอดหนึ่งอาทิตย์พอครบหนึ่งอาทิตย์สามีบอกว่าคุณคุณอย่าทาเลยผมรู้สึกว่า ผมจำถ้อยมากเมื่ออยู่กับคุณ <c oughs> ผมผมเห็นคุณสูงสงขึ้นทุกวัน <c oughs> ผมจำถ้อยลงทุกวันขอเถอะอย่ามาปฏิบัติดีๆเลย <c oughs> และผลข้างเคียงก็เกิดขึ้นพอภรรยาทำอย่างเงี้ยสามีไม่กล้ากินเหล้าคือเข้าบ้านเนี่ยจะไม่ได้กินเหล้าเลย ก็รู้สึกว่าเทวามาอยู่กับซาตานคือในบ้านมีเทวาแล้วเขาเป็นซาตานอะ่ะอาทิตย์ที่สองภรรยาก็ยังไม่เลิกอาทิตย์ที่สามสามีก็บอกว่าคุณผมเห็นว่าคุณเอาจริงและคุณก็สงบได้จริงๆผมอยากสงบได้อย่างนั้นบ้างคุณสอนผมได้ไหมภรรยาก็บอกว่าได้ งั้นเรามาเริ่มกันเลยเราทุกวันนี้สองสามีภรรยานี้นนเดินสายไปทั่วประเทศเป็นวิทยากรสอนเจริญสติมีความสุขกันมากนะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยู่บ้านเลยจันถึงสุขทำงานตามปกติพอเสาร์อาทิตย์ปับกลายเป็นวิทยากรกำลังจะออกหนังสือธรรมะเล่มใหม่แล้วตอนนี้แล้วมีความสุขกันมากทั้งสองคนคุณภาพชีวิตเปลี่ยนเลย ตั้งแต่พรรยามาปฏิบัติที่นี่กลับไปสามีเปลี่ยนแล้วบ้านหลังนั้นไม่มีอบยมุกอีกเลยทุกอย่างอันตรธานไปโดยอัตโนมัติแล้วทุกคนกลับมามีครอบครัวที่กลมเกลียวสิ่งไร้สาระต่างๆทุกขนออกไปนอกบ้านกลายเป็นครอบครัวเทวดาอยู่คู่กับเทวดาคู่ชีวิตนั้นมีหลายแบบบางคู่ก็ผีแห้งลงผนะ บางคู่ก็อาศุลกับซาตานบางคู่ก็คนดีกับคนสุขบางคู่ก็เทวากับซาตานบางคู่ก็เทวดาอยู่กับเทวดาเมือ่อศีลเสมอกันเมื่อปัญญาเสมอกันชีวิตคู่ก็จะราบรื่นไปตามลำดับเห็นไหมนี่ก็เป็นอา น, นิสงส์งของการเอาธรรมะเข้าไปใส่ในชีวิตทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้วส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข หมาแมวซึ่งปกติไม่เคยดูแลเล ย, เ, ลยเพราะจิตละเมียดปับ๊บก็รักหมารักแมวกลับมาดูแหละตามปกติเธอบอกว่าเอาอาหารเททิ้งไวอ้อทิตยหนึ่งที่แมวกินหมดไปไปอาทิตย์เธอก็ยังไม่ได้เติมปล่อยปละแล้วเลยแมวไอคั ก, ค ก, ค ก, คกต่อหน้าแมวไอต่อหน้าก็ไม่เคยพายไปโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ละเมียดบังทีนั่งกินข้าวอยู่นะ่ะหมามาอาเจียนข้างหลัง ถ้าไม่ไล่เตะหมาก็หมาตัวนี้ไม่ใช่รึกเขาพาเธอไปเลือกมาจากฟาร์มหมาอย่างดีแล้วก็อุ้มกอดมาเลยนะอุ้ยดูแลยอย่างดีภรรยายิ่งแล้วใหญ่รักแมวมากน่ะได้มาที่เรียกเนี่ยพาแมวเข้าสปาด้วยซ้ำอยู่มาสองสามเดือนกลับไปเป็นโรคเดิมคือรักเฉพาะช่วงโปรโมชั่น นั่งกินข้าวกันอยู่หมาแมวมาไอข้างหลังสองสามีภรรยาแบ่งงานกันทําจะมีไล่เต็มหมาภรรยาไล่เต็มแมวพอมาปฏิบัติธรรมแล้วจิตละเมียดขึ้นละเมียดขึ้นละเมียดขึ้นคุณโยมเชื่อไหมพอจิตละเมียดโยมจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันละเมียดตามโยมไปหมดโยมฟังเพลงโยมก็จะเลือกแต่เพลงที่เนื้อหาดีๆ ด, ดนตรีเพราะๆนะเมื่อจิตของโยมประณีษโยมจะได้รับแต่สิ่งที่ประณนต เมื่อจิตของโยมสูงขึ้นโยมจะโอจรอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นคนที่มาหาโยมก็จะเป็นคนที่สูงเหมือนโยมฉะนั้นคุณภาพจิตจะดึงดูดสิ่งต่างๆที่ตรงกับตัวมันก็มาหาเสมอเช่นถ้าคุณภาพจิตของคุณเป็นคุณภาพจิตชั้นสูงคนที่ม า, าคุณจะเป็นคนชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าคุณภาพจิตของคุณสามคนที่คุณคบหาจะเป็นคนในระนาบเดียวกัน มันจะไหลมาหาคุณคนโบราณท่านจึงบอกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจนไรก็มาคบกันเห็นไหมฉะนั้นเราจะต้องสร้างสรรค์พัฒนาตัวเราให้เป็นปัจจัยแห่งการดึงดูดเอาสิ่งที่เป็นสิริมงคลมาสู่ตัวเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการจะทําเช่นนั้นได้ไม่ต้องไปทําอะไรมากกลัมาอยู่กับปัจจุบันขณะตามดูตามรู้ลมหายใจ ตามดูตามรู้อิรยาบดใหญ่ยืนเดินนั่งนอนตามดูตามรู้อิรยาบดย่อยการเคลื่อนไหวการขยับแข้งขยับขาขยับมือขยับเนื้อขยับตัวกันเหลวการแลการเหลือกการกระพริบการหาวการพูดการมองเติมสติเข้าไปในกิจกรรมเหล่านี้ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อ ย, ะ น, อยนะ ตลอดเวลาที่คุณลืมตาอยู่ยังไม่เข้านอนนี่คือโมองยามของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเติมไปสิเติมไปทีลนิดเทีลนิดทีลนิดพระอาจารย์ท้าทายไว้ตรงนี้ทอย่างนี้ภายในหนึ่งเดือนโยมจะได้เห็นตัวเองในอีกมิติหนึ่งเป็นมิติที่เปลี่ยนไปแล้วเราจะกลายเป็นคนที่สุขง่ายและทุกข์ยากการกระทบกระทั่งกับคนอื่นจะน้อยลงน้อยลงน้อยลง จนเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องเล็กจ้อยความเข้าใจในชีวิตก็จะเพิ่มพูนขึ้นและหลังจากนั้นเราคนดีๆจะเดินเข้ามาสู่ชีวิตคนนี่เป็นประสบการณ์ตรงที่พูดได้เลยครูบาอาจารย์หลายท่านได้พบได้เจอสิ่งนี้คุณจะไม่ต้องขวนขวายไปเจอสิ่งดีๆอะไรหรอกเพราะสิ่งดีๆเขาจะเคลื่อนเข้ามาหาโดยอัตโนมัติ ก็จะมาแล้วมาอีกมาแล้วไม่บางครั้งตั้งรับไม่ทันด้วยซ้าความมัศจรรย์ของธรรมะมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นสติคือมวลรวมแห่งปาฏิหาริคุณฝึกสติอย่างเดียวคุณจะได้ทุกอย่างครั้งหนึ่งอนรนาบินเดกัสเศรษฐีส่งลูกชายไปเรียนธรรมะกับพระพุทธเจ้าเอาเหรียญทองจ้างใบ วันแรกให้ไปฟังธรรมลูกไปถึงเก็หลับผ่านไปหนึ่งวันกลับมาขอเบอิกเงินจากพ่อพ่อก็จ่ายเออให้มันไปฟังธรรมมันก็ไปจริงๆแต่ไม่ได้สั่งอะไรมากกว่านั้นเนี่ยไปถึงปุ๊บเขาก็ไปหลับวันที่สองพ่อก็จ้างให้ไปอีกวันนี้ถ้าจำได้นะพ่อเพิ่มเลยพันเหรียญทอง เขาเลยเป็นนึ่งไปใกล้ทำไม้ไปพระพุทธเจ้าพยายามกำหนดจดจำทุกสิ่งที่พระพุทธองค์เทศด้วยความที่เห็นแก่เงินจึงพยายามจดจำทุกถ้อยกระทงความทุกพระพุทธวัจนะที่พระองค์เอื้อเออยออกมานั้นกลายเป็นของล้ำค่าดังหนึ่งไครมุกที่หล่นลงบนจานหยกเขาตั้งใจสดับตราบฟังอย่างถึงที่สุด และในวันนั้นเขาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอกลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นพระพุทธพองค์เสด็จมาที่บ้านเศรษฐีพ่อนิมนพระพุทธองค์มาเสวยพระทหารเขาอยู่ในห้องไม่ยอมออกมากลัวกลัวว่าพ่อจะเรียกออกมารับเงินพอพระพุทธองค์เสวยเสร็จพ่อก็ให้คนไปตาม พอออกมาแล้วก็มานั่งโขยอายอยู่ข้างหลังนู้นไปหลังห้องนนท์พ่อก็บอกว่ามาสิลูกนี่วันนี้พระพุทธองค์เสด็จมาบ้านเรานะพ่อจะกราบอาตนาพระพุทธองค์นะมอบรางวัลให้ลูกพันเหรียญทองมารับสิลูกลูกชายนน่งอายม้วนหน้าแดงเลยคานก็ไปยิกขาพ่อพ่อพ่อพูดอย่างนั้นทําไมะ แบบนี้ไปพูดเดือเจ้าก็รู้หมดสิว่าผมไปวัดเพราะอยากได้ตังค <c oughs> ์ก็เหมือนเด็กสมัยนี้พอมาบวชภาคดูดูร้อนปั๊บพ่อแม่มารับโอ้โหเอาโทรศัพท์ใหม่ใส่มือให้เลยเราก็คิดว่าเขาศรัทธา <c oughs> ลูกจาคนเล็กเหยิกขาพ่อพ่ อ, พ, อพ่อพูดอย่างนั้นทำไม ผมอายจะยากอยู่แล้วนั่งก็ไม่ใช่ลูกหรือที่ไปวัดเพราะอยากได้ตังพ่อน่ะพ่อนั่นมันผมคนเดิมนะพ่อพ่อมองดูหน้าลูกคนนี้สิพ่อตอนนี้ผมได้สิ่งที่สูงกว่าเงินแล้วพอเขาพูดแค่นี้พระพุทธองค์ทรงแยมพระสวนน้อยพระพุทธองค์รู้แล้วว่าเขาเป็นพระโสดาบันเขาได้ดวงตาเห็นธรรม พู้ธองค์จึงตรัสเป็นกบีนิพนธ์ว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิประเสริฐกว่าการได้ขึ้นสวรรค์นั่นคือการได้บรรลุโสดาปติพน์การได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบรดามาีในโลกธรรม นี่คือสิ่งที่สูงกว่าเงินและเป็นสิ่งซึ่งเงินซื้อหาให้ไม่ได้การมีความเข้าใจต่อโลกและชีวิตที่ถูกต้องทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความมั่นคงทางจิตวิญญาณตลอดกาลนานผู้เรานี้อยากมีความมั่นคงทางจิตตลอดกาลนานไหมเราอยากแต่ถ้าเราฝึกไม่เป็นเรานี้จะเป็นเหมือนนาฬิกา แกว่งไปมาระหว่างความทุกข์กับความสุขหาจุดศูนย์กลางไม่พบตอนเช้าเช้าแกว่งไปหาสุขยิ้มนะกวัวพักบ่ายเขาร่วมประชุมกับเจ้านายเจอเจ้านายเทศนอกธรรมะ ก, กลับออกจากห้องประชุมแกว่งไปหาแต่ความทุกข์แล้วไปอยู่ใกล้ใครก็ทําให้เขารวนไปหมดกลับมาบ้านแมววิ่งมาดอนรับ นายามปกตินัวเนียกันอุ้มมาหอมอู้ยทูนหัวของบา่าแต่พอมันเมามันมาจากที่ทำงานโดนนายอัดมาเต็มที่พอแมววิ่งมารับแต่ <c oughs> ติดฝาแมวงงเห็นไหมถ้าเราอยากมีความมั่นคงทางอารมณ์ต้องมันตามดูตามรู้อารมณ์ปัจจุบันของเราทำอะไรอยู่ตามดูตามรู้อารมณ์นั้นนั่นคืออารมณ์ปัจจุบันนะ มีโจ๊กเรื่องหนึ่งเร่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่เคยอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเธอเป็นแม่บ้านเธอเปิดร้นซักไร่ทุกวันเธอแ้าไม่ได้ทําอะไรอะนะซักไร่ซักไร่ซักไร่แล้วเธอก็เป็นผู้หญิงที่ช่างพูดมากพราะอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ซักไร่ซักไร่ซักไร่แล้วก็คุยโทรศัพท์ยุคนั้นยังไม่มีบลูทูธ ระหว่างที่สักรียดซักรียดักรียเพื่อนก็โทรมาเธอก็หยิบมาคุยฮัลโหลวก็วางฮัลโหลแล้วก็วางฮัลโหลแล้วก็วางสักพักนึงเธอก็หยิบเอาเตาเรีดมาแนบหัฮัลโหลแล้วก็จ้าวางไปเลยนะแก้มพังไปแถบนึงที่หยิบขึ้นมาแนบไม่ใช่โทรศัพท์เป็นตเตารีดคนไม่อยู่กับปัจจุบันขนะก็จะหลุดจะรั่ว ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์และดังนั้นจึงเป็นคนอนาถาความสุขแต่ถ้าเรามาฝึกรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างนี้พระอาจารย์ท้าทายไว้ตรงนี้รอเลี้ยงความรู้เนื้อรู้ตัวไว้สักระยะเดือนเดือนที่สองชีวิตโยมเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงอยากให้มันเปลี่ยนไหมอยากเป็นมนุษย์พันธุ์ส่งง่ายทุกยากไหมอย่างนั่งตรงไหนแล้วรู้สึกสดชื่นรื่นเย็นยิ้มเล็น้อยอยู่ตลอดเวลาไหม นะพยายามทําตามที่ครูบาอาจารย์สอนตามโูดตามรูดไปค่อยๆประพฤติปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเรารดน้ํำนะเราไม่ต้องไปเร่งให้มันผลิดอกออกผลเรารดน้ําที่โคนทําไปตามลํำดับเมื่อปัจจัยสงมอมเต็มที่เขาจะพลิดอกออกผลให้เราได้ดองได้ดมเองนะฉะนั้นก็หวังว่าพวกเราจะหลอเลี้ยงกันประพฤติปฏิบัติแม้จะปิดคอร์สภาวนานแล้วก็กลับไปทําที่บ้าน ที่ทำงานเราใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั้นายคือสถานที่ในการปฏิบัติธรรมขอให้เบิกบานกับการประพฤตปฏิบัตในทุกๆอิริยาบถทุกท้ามทุกอณ ฉันนั่งให้สบายพอนคลายชีวัน One. one.